พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าระสูตรที่ 10, สิบสุภระสูตรเรื่องมานพชื่อสุภะสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จดับคันทัพปรินิพานไปไม่นานท่านพระอานนท์พำนักอยู่ณนะพระเจตวรร์อารามของอนาถาบินฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภามานพตัวเทยบุตรคือบุตรของโตเทยพราม มีกิจธุระพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสุภาพมานพโตเทยบุตรเรียกมานพคนหนึ่งมาสั่งให้ไปหาพระสมณะชื่ออานน์เรียนทามเป็นสุขภาพความมีโรคาภาษน้อยมีพรานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและเธอจงเรียนว่าขอท่านพระอานนนโปรดอนุเคราะห์สละเวลาเข้าไปเยี่ยมสุภาพมานพโตเทยบุตรบ้าง มานพนั้นรับคำแล้วจึงเดินทางไปตามคำสั่งเช้าวันรุ่งขึ้นท่านพระอนณนพร้อมพระเจตา ก, กะซึ่งเป็นปัจฉาสมานะคือพระผู้ติดตามเดินทางไปพบสุภามานพตามคำนิมนต์สุภาพมานพตเทยบุตรถามว่าท่านอนณนเป็นพระอุปัฏฐากอยู่เฝ้าใกล้ชิดเรื่องพระยุคลบาทของท่านพระโคดมมานาน ธรรมะใดที่ทันพระโคดมตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ท่านพระอานุ์ตอบว่ามานุพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่ในขันสามแลขันสามอะไรบ้างคืออริยศีลขันอริยสมาธิขันและอริยปัญญาขัน เขาถามว่าอริยะศีลขันธ์ที่ท่านพระโคดมตรัสสันเสริญและทรงให้ประชาชนสมท า, านตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอาน o น์ท่านพระอาน o ์ตอบว่ามานุษย์ประตถาโคตสเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันรตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้ร้อมทั้งเทวโลกมารโลก ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏรและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนบุคคลใดได้สดัธรรมะนั้นแล้วเกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อมีศรัทธายอมตรหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปรง่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดี เราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบนรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งกองพกสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติออกจากเรือนไปบวชเป็นบนรรพชิตสำรวมด้วยการสังวรในพระปาฏิโมกข์เพียบพร้อมด้วยมารยาทและโขจรคือการเที่ยวไปเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิก ข, ขาบท ประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะคือการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะและเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละเว้นขาดการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธ มีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จัดเป็นศีลของภิกษุอย่างหนึ่งสำหรับส่วนนี้ความเต็มเนื้อหาเหมือนสามัญญพลละสูตรนะครับภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นทำพิธีบนบานพิธีแก้บนรายมนขับผีตั้งสารพระภูมิทำกระเทยให้เป็นชายทำพิธีปลูกเรือน พิธีบวงสวงพื้นที่รถน้ำมนต์พิธีบูชาไฟปรุงยาทายยาแก้ปวดศีรษะน้ำมันหยอดหูยานัดยาหยอดตายาป้ายตาเป็นหมอตาหมอผ่าตัดการให้สมุนไพรและยาการเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้ข้อนี้จัดเป็นศีลของภิกษุอย่างหนึ่งสำหรับส่วนนี้ความเต็ม โปรดดูเนื้อหาที่โปรมะชาลสูตรนะครับจะมีทั้งจุลศีลมัชชีมศีลและมหาศีลและโปรดคำนึงถึงคำว่าเลี้ยงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างอยู่ที่เจตนานะครับถ้าทำเพื่อหวังลาบยศสรรเสริญทำให้งมงายถือว่าผิดแต่ถ้าทำเพื่อเป็นปุสโลโบายเป็นกำลังใจบางอย่างอาจไม่ผิดเช่นการรดน้ำมนให้กำลังใจ ญ, ญาติโยมหรือทำบางอย่างสำหรับที่ผู้ปัญญาสามเข้าใจธรรมะได้ยาก จึงอาจต้องมีกุสโลบายให้ทำดีแต่ท่านนี้เพื่อความไม่ประมาทและดีที่สุดศีลโดยละเอียดของพระก็ควรรักษาให้ดีที่สุดบางอย่างไม่ผิดแต่ก็ไม่ควรเป็นโลกะวัชชะคือโลกติดเตียนบางแห่งใช้เป็นกุสโลบายแต่ก็ติดอยู่แค่นั้นนะครับไม่สามารถขยบขึ้นไปสู่การเจริญปัญญาได้ติดแต่เปลือกพิธีกรรมและจากกุสโลบายที่ครูบาอาจารย์สืบต่อกันมา ก็กลายเป็นความงงงายในรุ่นหลังและจมปลักไปผิดทางก็เยอะจึงฝากให้ทุกท่านพิจารณาเพื่อรักษาพระศาสนาให้ถูกต้องยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวมในศีลเลยเปรียกเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษเป็นพระราชากาจัดข้าศึกได้แล้วยอมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลย ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์อย่างนี้ย่อมสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในมานพภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลมานพอริยศีลขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้แต่ในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยศีลขันธ์นี้อีก เขากล่าวว่านางอัศจริงไม่เคยปรากฏอริยะสิลขันบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอริยะสิลขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระศาสนานี้เลยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระศาสนานี้เห็นอริยะสิลขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในตนก็จะพอใจว่าเพียงแค่นี้พอแล้วเพียงแค่นี้สาเร็จแล้ว เราได้บรรลุสามัญญคุณแล้วไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นนี้อีกแต่ท่านยังบอกว่าในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยสีละขันธ์นี้อีกสมาธิขันธ์อริยสมาธิขันธ์ที่ท่านพระโคดมตรัสสรรเสริญ และส่งให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านอานน์เนื้อหาทั้งหมดในส่วนนี้ความเต็มเหมือนสามัญญผ ล, ลสูตรนะครับเปลี่ยนแค่คําท้ายจากนี้คือผลของการเป็นสมณะเป็นนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจจึงรักษามนินทรียีคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้ย่อมสวยสุขไม่ละคนกับกิเลสในภายในภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับ การแลดูการเดินการยืนการนั่งการนอนการพูดภิกษุชื่อว่าผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องภิกษุนั้นประกอบด้วยอ ร, ยอรยอิยะสีลขันอริยะอินทรียสังวรอริยะสติสัมปะชัญญะและอริยะสันโดษอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าควไม้ภูเขาซอกเขา ทำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งเธอกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาท มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชาระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทีนมิทะกําหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชาระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนมิทะลาอุทจะกุ ก, กุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชําราจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธจักกุกุจะละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชําราจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นสงัดจากกามและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งข้อนี oughs, minutos, ้จ right ัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุภิกษุนั้นสงัดจักกามและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุทุติยฌานคือฌานที่สองข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุภิกษุนั้นสงัดจักรามและอากุศลทั้งหลายแล้วบรรลุตติยฌานคือฌานที่สมข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุ ภิกษุนั้นสงัดจากการและอกุศลละธรรมทั้งหลายแล้วบรร ล, ลุจตุตถาฌานคือฌานที่สี่ข้อนี้จัดเป็นสมาธิอย่างหนึ่งของภิกษุมานกอริยะสมาธิขันที่พระผู้มีพระภาคตรัสสันเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้แต่ในพระธรรมวินัยนี้ยังมีกรณียกิด ที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยสมาธิขันนี้อีกหัวข้อปัญญาขันสุภามานพถามต่อไปว่าอริยปัญญาขันที่ท่านพระโคโดมตรัสสันเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างไรท่านพระอานนท์ได้ตอบเรื่องวิชา8ประการเนื้อความเหมือนในสามัญญพลสูตรทุกอย่าง ซึ่งสรุปได้แก่ 1. วิปาาัสนาญาณความรู้และความเห็นตรงตามเป็นจริงอาจเรียกว่ามัคคยานผ ล, ลยญาณสัพพัญยุตยานปัจเจเวขณะญาณ 2. มนโนมยุธิญาณเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกกร่อง สอิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคนเดียวแสดงเป็นหลายคนปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเดินบนน้ำใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 4. ทิพโสตธาตุยานหรือทิพโสธาตุยานคือการมีหูทิพได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษย ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 5. เจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตน 6. อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ 7. ทิพจักขุยานมีตาทิพเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทุกชนเหล่า เกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 8. อาสวะขยายานบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหรันรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า น, ทนีทุกขนีทุกขสมุทไทยนีทุกขานิโรธนีทุกขานิโรธะค า, ามินีปฏิปทาจิตยอมหลุดพ้นจากกามสวะภ ว, วะสวะ และอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรมอาจารย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมานพอริยปัญญาขันธ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมท า, านตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างนี้ในพระธรรมวินัยนี้ ไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยปัญญาขันนี้อีกแล้วสุภามานกกล่าวว่าน่าอาจจัศจริงไม่เคยปรากฏอริยะปัญญาขันบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอริยะปัญญาขันที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระศาสนานี้เลย ไม่มีกรณียกิจที่ต้องปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่าขั้นอริยปัญญาขันนี้อีกแล้วเขากล่าวสรรเสริญพระธรร ม, มเทศนาและประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งแต่บัดนี้ไปจนตลอดชีวิตจบสุภาสูตรพระสูตรที่สิจากพระไตรปิฎกเล่มที่เก้า